วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมาศาศาพศ2539เป็นการบรรยายพิ ส, สูตรในสายุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโผลที่ศรัทธาต้นสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมที่เคารพพะ ส, สูตรวันนี้มีสองสูตรคือสูตรที่ 6.6 กับสูตรที่ 6.7 สองสูตรนี้ความจริงตั้งใจจะอธิบายร่วมกันไปควรจะอธิบายร่วมกันได้จะต้องอธิบายสองสูตรนี้เป็นอีกประเภทอีกก็จะอธิบายในส่วนที่เป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเพินมตมให้เพราะสูตรนี้คือหกจุดหกนี้มีชื่อว่าทุติยมหารุกสูตรที่เราพูดไปแล้วนั้นคือปฐมมหารุกสูตรแปลว่าอสูตรที่ ตรงอุปมารธรรมะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่แล้วสูตรถัดไปชื่อว่าตะลุณะลุกขูตร็นสูตรที่เปรียบธรรมะเหมือนกับต้นไม้อ่อนต้นไม้อ่อนหมายถึงต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ต้นไม้ที่ยาวอยู่เรียกว่าบารุนบรุณลุกหรือตะลุณะลุกข เนื้อความในส่วนหลักนั้นเหมือนกันต่างกันที่อุปมาทั้งนั้นติอุปมาเหมือนต้นไม้เหมือนกันเป็นต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กแล้วสูตรที่เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ก็มีความว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายต้นไม้ใหญ่มีรากย่างลงและแผ่ไปข้างข้าง รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นพึงเป็นอยู่ตลอดกาลานานแม่ฉันใดเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุ ป, ปาทานอยู่ ตันหาย่อมเจริญฉันนั้นเหมือนกันเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้และได้ตรัสในสายทรงวันข้ามว่าต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่บุรุษนั้นเอาจอบและภาชนะมาตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแล้วคุ้ยเอารากใหญ่เล็กแม้เท่าก้านแฝกขึ้นเอาไปลอยน้ำในแม่น้ำคือเมื่อเอาไปเผาไฟเอาไปสับไปเผาไฟเสร็จแล้วก็เอาไปลอยน้ำในแม่น้ำเมื่อเป็นอย่างนั้นต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากขึ้นแล้วทำให้ เป็น่างตานยอดด้วนถึงความไม่มีไม่เกิดอีกต่อไปแม้ฉันใดเมื่อพิสูจ์เห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหา ย, ย่อมดับจันนั้นเหมือนกันเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับความดับถึ่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งจะอ่านให้จบทั้งสองสูตร แล้วก็ดูโครงล่างของสูตรและจะอธิบายเจาะเข้าไปในจุดสำคัญของสูตรร่วมกันไปสูตรที่หกจุดเจ็ดที่ชื่อวัดรุลลูกสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเมื่อสูจน์เห็นความพอใจหนิงเหนื่งในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสงโยต์อยู่ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่บุรุษพึงทวนดินใส่ปุย๋ยรดน้ําเสมอๆก็เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นพึงถึงความเจริญงอกงามไปบูนแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิสูจเห็นความพอใจหนึ่งเมืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ตัณหาย่อมเจริญฉันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความเกิดถึงกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เมื่อพิสูจเห็นโทษหนึ่งเมืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับความทุกข์ ควาดับเป็นกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่บุรุษเอาจอบและภาชนะเมื่อตัดเอาเผาไฟลอยลงในกระแสน้ําอันเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นถูกตัดรากขึ้นแล้วทําให้เป็นดางๆยอดต่นถึงความไม่มีไม่เกิดอีกต่อไปแม้ฉันใดอภิกษุเห็นโทษเมืงเง่อในธรรมท่านหลายเป็นปัจจัยแห่งสุญญ์อยู่ ตัณหาย่อมดับกันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับความดับถึงกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็จะเห็นว่าสองสูตรนี้สูตรที่เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่นั้นทรงยกอุปมาขึ้นก่อนแล้วก็ตรัสถึงอุปมาธรรมภายหลังสูตรที่เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กทรงตรัสอุปมาธรรมก่อนแล้วก็ตรัส ผู้ประมาททำภายหลังแต่เนี้หาของธรรมะในส่วนที่เป็นสาระนั้นเหมือนกันคือตรงข้อความที่เราได้อธิบายกันมาสองครั้งแล้วแต่ว่าคนละมุมกันนะฮะคือข้อความที่ว่ า, าภิกษุเห็นความพอใจเหนื่อยในธรรมทั้งหลายอันเป็นปใจใัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นชื่อของกิเลสนั่นเองและแม่สังโยชน์นะครับก็เป็นชื่อของ กิเลสอีกนั่นเองซึ่งก็หมายก็ว่าการที่บุคคลจะเพาะกิเลสเนี่ยก็เพาะที่อารมณ์ของกิเลสอารมณ์ใดที่เป็นตัดใจแก่กิเลสเนี่ยความจริงก็มีอยู่ทั่วๆๆไปอารมณ์เนี่ยเขาก็ก็อยู่เขาเฉยๆนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในใต้ผืนพนิภพนี้เพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองหรื อ, อน้ำมัน แ้่เราก็ตามที่อยู่บนอากาศที่อยู่บนต้นหมากลากไม้อยู่บนพื้นผิวดินมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่เป็นโลคียธรรมทีนี้เวลาที่อารมณ์เขาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจว่าเขามีเพื่อจะให้ใครมาไหลกจอิเลสหรือไม่ได้ตั้งใจว่าเขาอยู่เพื่อที่จะให้ใครมาอาศัยอบรม เพื่อล้างกิเลสแต่คนที่ไม่ฉลาดเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์เหล่านี้อย่างไม่ฉลาดก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นปุ๋ยเป็นปัใจจัยให้ตัวเองเกิดกิเลสแล้วบุคคลที่ฉลาดเมื่อเข้าไปกำหนดรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ในตัวหรนอกตัวก็ตามเนี่ยเมื่อกาหนดด้วยวิธีที่ฉลาดจากความรู้ ที่บัมบิดหรือสัตว์ตบรุดอันมีพุทธเจ้าเป็นต้นบอกให้อารมณ์นั้นก็เลยเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือให้เกิดการละกิเลสเต่ตรงนี้เนะวันนี้นะผมจะพูดในมุมของการสั่งสมกิเลสและการละกิเลสจากข้อความตรงนี้นะคือถ้ารั้งนี้พูดแล้วก็เกิดมีพสูตรหลงๆอีกก็หมดปรุงจะพูดแล้ววันนี้ก็เป็นเป็น การพูดเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันเป็นครั้งที่สามนะฮ อ, อเราตั้งหลักว่าการที่คนสั่งสมกิเลสเกิดกิเลสเนี่ยอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยการที่คนจะละกิเลสก็อาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยไอ้เนื้อง่ายว่าคนที่ ทำวิปัสสนาไม่ใช่คนไปนอนหลับแม้ว่าจะหลับตาแต่ใจเ้าไม่หลับเขากลับลืมตาเพราะว่าสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบันถือตรัสว่าตาเกี่ยวเทียบนะก็จะไปบอกว่าเป็นตาสติเป็นตาเป็นตาของใจเป็นตาของชีงวิตเป็นตาของบุคคลเพราะนั้นคนแม้จะหลับตาแต่สติไม่หลับนี้สติที่ลืมตาเนี่ยลืมต้องเห็นอะไรก็ตอบว่าเห็นอารมณ์ ถามว่อารมณ์อะไรก็คืออารมณ์คืออย่างที่กิเลสมันเห็นนั่นแหละแต่เพ่งดูหมายใจรู้สําคัญหมายกันคนละอย่างด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างด้วยอาการและวิธีการคนละอย่างในทํามนองเดียวกันคนที่สังสมกิเลสก็อารมณ์เหล่านั้นแหละทั้งดีทั้งไม่ดีอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นที่อาศัยเกิดกิเลสได้ อารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นที่อาศัยลงกิเลสได้อิทฐาลมอนิสาลมในโลกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กิเลสได้เท่ากับเป็นปัจจัยแก่การละกิเลสถ้าถามว่ามันต่างกันตรงการวางใจตรงไหนอาจะพูดถึงก็มีก่อนก็ตอบว่าที่เป็นปัจจัยแก่การลงกิเลสได้แก่ผู้กาหนดรู้อารมณ์เหล่านี้ ก็เป็นที่บุคคลนั้นกำหนดรู้ด้วยใจเป็นกลางเป็นกลางอย่างไรก็คืออารมณ์ดีก็ไม่ยินดีอารมณ์ร้ายก็ไม่ยินร้ายหรืออารมณ์ร้ายก็ไม่ยินดีอารมณ์ดีก็ไม่ยินร้า ย, ย, นายในหลักที่เรียกว่าความเป็นกลางนั้นคือวิเนยะโลเกอาพิชาโทมนัตสังหรือเมื่อทําใจเป็นกลางอย่างนี้ก็จะทําให้เห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของอารมณ์ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่ามันเป็นของเลวทรามเลวทรามในในแง่ของความเป็นทุกข์นะไม่ใช่ในแง่ของจะิยธรรมไม่ใช่ในแง่ของความเป็นบุญเป็นบาปเป็นของเลวทรามในแง่ของความเป็นทุกข์เป็นภัเป็นโทษใครที่ทําใจอย่างนี้เห็นอารมณ์ทั้งหลายในโลก ทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างนี้เข้าก็ย่อมเบื่อเห็นเป็นโทษเห็นโทษนี่ไม่ใช่เราไปคิดเห็นงเราเองเราเห็นตามความเป็นจริงอไม่ว่าจะเป็นเพชนินจินดาอัตภาพของเทวดาสภาพของผรมนะล้วนแล้วแต่เป็นของมีโทษีนเมื่อบุคคล ไม้เห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงตามย้ำเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อย ก, ก็ทำให้เกิดกันลัแล้วก็ทำให้เกิดการรักอย่างไรนั้นแล้วด้วยที่จะว่างอีกทีตอนนี้มามองในส่วนของการมองอย่างชนิดที่เป็นปัจจัยแก่การสังสมวิเดชทั้งอิทธาลมอนทาลมเนี่ยก า, ารมองการรับรู้อารมณ์ด้วยการวางใจกลมกันข้ามกัน ที่สําคัญคือเมื่ออารมณ์ดีมองอย่างไม่มนสษการก็ยินดีถ้าอารมณ์ไม่ดีมองอย่างไม่มนสษยารก็ยินร้ายตานที่เราเห็นอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ยินร้ายเนี่ย ถ้าจะถามว่ามันต่างอะไรกับการที่บุคคลเห็นอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเป็นโทษต่างกันที่ตรงไหนคือถ้าเห็นอย่างเป็นโทษด้วยปัญญาเนี่ยทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันเท่ากันโดยความเป็นโทษเป็นทุกข์ในสังสารวัเท่ากันตรงไหนท่ากันที่ว่ามีความเกิดและดับไปเป็นธรรมดาบังคับปัญญาไม่ได้ แต่ถ้ามองเห็นอย่างเป็นโทษ <c oughs> เอาเอาอย่างเป็นดีซะก่อนอย่างกิเลสมองเนี่ย <c oughs> เห็นว่าดีนะ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นไปได้อย่างใจเราบังคับมันจามันได้มันถูกใจเราเราจึงชอบว่าอารมณ์นั้นเป็นของดีไม่น่าเบือ่อแต่อารมณ์ที่เราว่าเป็นของดีเนี่ยมันได้กลายเป็นของไม่ดีไปใน อารมณ์เดียวกันในสภาวะธรรมเดียวกันเช่นรูปรูปอารมณ์เนี่ยรูปอารมณ์โดยลักษณะมันก็คือเี็นได้โดยจากถุูวิญญาณกระทบที่จากสุปัสสัตแต่บุคคลเมื่ออารมณ์นั้นเป็นไปอย่างใจตัวก็ว่าดีใช่อารมณ์นั้นไม่เป็นไปอย่างใจตัวก็ว่าไม่ดีมันไม้ความดีหรือความไม่ดีอย่างกิเลสมันว่าเนี่ย มันไม่สนใจว่าเนื้อแท้ของรูปอารมณ์มันจะเป็นอย่างไรในทางสภาวะแต่มันคิดว่าถ้าถูาถกใจมันมันก็ว่าดีมันก็ยินดีถ้าไม่ถูกใจมันมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ยินดีนี่คือจํานึกของกิเลสที่เห็นอารมณ์อะไราทั้งหลายในโลกนี้ว่าดีว่าไม่ดีนะ่ะไม่ใช่การกําหนดเจาะแทงเข้าไปเห็นความจริงของอารมณ์ แต่เอาความรู้สึกเอาใจของตัวเองเอาอําเภอน้ําใจของตัวเองออกมากาเป็นเครื่องกำลบรู้และถ้าละยิ่งเราสังสมความยินดียินร้ายด้วยความรู้สึกเห็นแก่ตัวเอาตัวเป็นใหญ่อย่างนี้มากเข้ามากเข้าผลจะเป็นอย่างไรกิเลสลดลงไหมไม่ลดลง กีเลสเพิ่มขึ้นเมือเ่อกิเลสเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะถูกใจและไม่ถูกใจเนี่ยก็ยากยิ่งขึ้นใช่ไหมยากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วโอกาสที่จะถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันเหมือนไปนเงาขยายตัวมากขึ้นเช่นว่าเมื่อเราพูดเทียบเหมือนอย่างคนได้ใจนะะคนได้ใจเนี่ยครับ มันเป็นลักษณะของการได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาจะเอาเส้นได้เป็นจะเอายศดได้ยอก็จะเอาต่อต่อไปไม่รู้จบและถ้าความอยากยิ่งใหญ่อารมณ์มันตอบรับไม่ทันความจริงมันไม่ได้ตอบรับหรอกมันอยู่ที่เราคิดให้มันว่าอย่างไงท่านนองความอยากยิ่งใหญ่ สิ่งที่ถูกอยากมันยิ่งเล็กและความไม่สมอยากมันยิ่งใหญ่เอาเลยพูดรักความว่าความอยากยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความไม่สมอยากยิ่งใหญ่เท่านั้นไม่ใช่ความสมอยากยิ่งใหญ่ตามนะอันนี้เราเราสังเกต ด, ดูได้ว่ า, าทุกทุกเรื่องเลยครับเรามานั่งนึกดูว่าถ้าทุกวันนี้เราเมื่อก่อนเรา พัดลมเราก็ไม่มีพัดไอ้พัดลมไปฟ้าเราก็อยู่ได้ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่พัดใบตาลไม่มีพัดลมเรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมอยู่ลาบากต่อมามีเครื่องปรับอากาศเกิดไม่มีไม่มีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเสียต้องเปิดพัดลมอยู่ลาบากจริงไหมเมื่อก่อนเราไม่มีรถนั่งรถส่วนตัวนง ไปไหนก็ไปตามเรื่องสมัยก่อนเดินเราด้วยกันตดนนี้ถ้าแค่สองสามป้าเนี่ยเกิดรถเมยไม่มีเดือดร้อนเดิ น, นดรู้สึกมันกลายเป็นทุกข์เป็นความลอรมานและทุกทุกเรื่องครับขนาดว่าแม้แต่เอกสารที่เราแจกนี่เนี่ยเราเล่กกันกี่เดือเรายังไาเคยตวถึงนี้ ผมไปดูเอกสารเก่าๆก็พิมพ์ก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางที่เขียนมือมางเก่าๆในรุ่นก่อนๆนะคนเขาก็เรียนกันได้กันดีแล้วถอยไปสมัยก่อนฟังธรรมะเนี่ยเขาเรียนกันบนลังฉำฉาเนะสมัยก่อนร้อยต้องวันละร้อยแต่วันละครังเรียนบนลังฉำฉาพูดปากเปล่าไม่มีไมโครโฟนอย่างนี้เราก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีอาหารว่างเลี้ยงอย่างนี้ เขาก็เรียนกันได้แต่พอมาถึงรุ่นเราเนี่ยอะไรอะไมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ก, เกิเลสเรามันใหญ่ตามลองมีอะไรขาดนิดขาดหน่อยเช่นเอกสารพิมพ์ละเอียดดีเท่าไหร่ความผิดน้อยเท่าไ่ยัลองผิดสักสองตัวสามตัวทนไม่ได้แล้วผมก็ทนไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่โต สมัยก่อนเนี่ยผู้ผิดกันตั้งคืนกันมาเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ก็มองดูแล้วว่ากิเลสลานี่มันไม่ยอมหยุดยัง้งมันใหญ่ต่นนั้นไอ้ความผิดพลาดอะไรที่จะถึงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเราจึงพูดกันว่าสังคมยิ่งเจริญไอ้สังวัตถุนเนี่ยมันเพราะอะไรถึงทำให้ เกิดเป็ปัญหาทางจิตใจมากขึ้นก็เพราะลิล์ของไอ้ตัวตัณหานี่แหละครับมันไม่ยอมที่จะให้สูญเสียได้เลยไอท้ทีมันจะเอามันบอกว่าได้คืบมันจะต้องได้สอบพอมีอยู่สอกแล้วลดลงมาคืบหนูมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องฆ่าตัวตายประท้วงอะไรอย่างนี้นี่แหละเป็นเรื่งการสั่งสมกิเลส กับการล้างกิเลสที่มีจุดแตกต่างกันอย่างนี้ดีไม่ดีของกิเลสนั้นอยู่ที่การตีค่าออกมาจากความต้องการของกิเลสไม่คํานึงถึงความจริงยิ่งกิเลสมากยิ่งคํานึงถึงความจริงน้อยลงรับรู้ความจริงน้อยลงยอมรับความจริงน้อยลงจริงไหฮะคนชั่วนี่จะไม่ยอมรับอะไรที่เป็นความจริง เราเองเมื่อเกิดความรู้สึกในทางต่ำขึ้นเนี่ยพูดกับตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องถ้ายัางละความคิดอันนั้นไม่ได้แล้วก็ยังละความรู้สึกที่เป็นอกุศลนันไม่ได้ในขณะนั้นแต่การละกิเลสนั้นจะต้องค่อยๆถอนความรู้สึกตั้งหลักใหม่ว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยเราเสียผู้เสียคนแล้วเสียใจแล้วใจเราเสียไปแล้ว มันเสียเพราะอารมณ์ทัศนคติต่ออารมณ์ทำธรรมชาติให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้ทำใจเราให้เข้าไปหาธรรมชาติธรรมชาติคืออารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าไปเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงแลวก็ไม่ได้พยายามที่จะปรับที่อารมณ์แต่ปรับที่ใจใช่ไหมเวลาฝึกจิตเนี่ยคือการ แก้ที่ใจปรับที่ใจที่ภาษาบาลีใช้คําว่ามโนธรรมมโนธรรมทำตัวนี้ไม่ใช่ทอทงนะทำทำเนี่ยแปลว่าฝุกมโนแปลว่าใจมโนธรรมมโนธรรมแปลว่าฝุกใจทรมานใจ คือเมื่อใจเราฝึกเนี่ยก็คล้ายๆว่าเราเจียมตัวก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเป็นยังไงก็อย่างนั้นใจเมื่อเราฝึกมากขึ้นเราก็เห็นความจริงของอารมณ์ชัดขึ้นเมื่อเห็นอารมณ์ความจริงชัดขึ้นใจเราก็แก้ตัวเองลงไปอีกโดยลําดับแล้วก็เห็นอารมณ์ชัดขึ้นไปอีกโดยลําดับก็กลับมาแก้ใจตัวเองขึ้นไปอีกหน่อยอีกนิดตามลําดับตามลําดับ จนกระทั่งใจถึงจุดสมบูรณ์การแก้ไขก็เห็นความเป็นจริงของอารมณ์อย่างไม่มีสิ่งหลงเหลือเรียกว่าแทงตลอดในอารมณ์เราจะเรียกว่าอารมณ์หรือจะเรียกว่าองค์กรรมฐานหรือจะเรียกว่าทุกหรือจะเรียกว่าอาเลียสัตว์อะไรก็ตามนะคือเราเพ่งไปที่ทุกเนี่ยส่วนไอ้สัจสามอย่างอื่นมันตามมา มันตามมาโดยทันทีแต่ว่าไอ้งานของเราเนี่ยเราจับไปที่ทุกข์ก็ไรเพราะนามรูปในโลกนี้อิจฉาลมอนิจฉาลมในโลกนี้มันคือทุกข์กษัตย์ใช่ไหมฮะที่มันมาเป็นปัจจัยให้ใจเราเป็นอารมณ์โดยความเป็นอารมณ์ให้ใจเราเสียคุณสมบัตินี่พอเราฝืนกลับไปดูทุกข์นั้นให้เห็นตามความเป็นจริงใจที่ฝุดขึ้นมาเนี่ย เกคุณสมบัติในทางความเป็นมรรคมรรคเนี่ยเดินไปบนทุกมีทุกเป็นอารมณ์เบื้องต้นมรรคเบื้องต้นมีทุกเป็นอารมณ์พอกำหนด <c oughs> รู้ทุกขึ้นในแต่ละขั้นแต่ละชั้นการละกิเลสมันเกิดขึ้นทันทีด้วย ความยินดียินายที่เราคู่คุมก็เวนันควบคุมได้เป็นท่านๆไอ้ความยินดีกับยินายเนี่ยไอต้ตัวตัวตัวหลักของความเลวร้ายที่มาของความยินายคือความยินดีใช่ไหมยินดีเมื่อสมหวังพอสมหวังแล้วมันก็คู่กับความผิดหวังเพราะแต่มันยินดีด้วยกิเลสไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับมันไม่คิดมันไม่เผื่อ เพื่อความผิดหวังไอความคิดเผื่อนัเป็นความคิดในทางกุศลงย่างๆละ่ะแต่ตัวกิเลสเนี่ยมันจะไม่ยอมคิดเผื่ออย่างนั้นโดยธรรมชาติของมันครับแต่ที่พระทธเจ้าสอนให้มีการคิดเผื่อควบคุมมือเอากุศลเข้ามาคุมตัณหาที่เรายังไม่อาจจะละได้ทั้งหมดเด็ดขาดเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดอารมณ์ อย่างตามความเป็นจริงโดยลำดับเนี่ยจิตเป็นมรรคคุณสมบัติของจิตแล่วเนี่ยนะก็มีตัวสาคัญ ก, ก็องมรรคแตดเกิดที่แรกก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์กิเลสใดที่ถูกฉลัดออกสําโลออกขูดเกาออกไปตามสมควรแก่ขัน้นมันเรียกว่าเป็นการละและ <c oughs> เมื่อเรากำหนดเห็นอารมณ์มากเข้ากิเลสก็หายใจมากเข้า มักกล้าแข็งขึ้นคือตัวอย่างกล้าแข็งขึ้นและเมื่อก <c oughs> ําหนดไปโดยลําดับอย่างนี้ใจก็เอมีความรู้สึกว่าทุกพึ่งไม่ได้สิ่งที่พึ่งได้ต้องนอกจากทุกก็โน้มเอียงไปเพื่อที่จะไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ก็พอบอกได้แล้วว่าจะไปทางไหนเมื่อเห็นทุกทะลุ ตัวยานที่กําหนดหรือสติสัมปัญญะที่กําหนดทั้งสมบูรณ์กิเลสละได้หมดอารมณ์หรือมักก็ได้ทางเดินสายใหม่เดินทีแรกเนี่ยเดินเพื่อรู้แจ้งทุกจับเป็นอารมณ์มาโดยลําดับแล้วก็นุกลัวพอพ้นเส้นทางทุกนี้จับเข้าเส้นทางสายใหม่คือพระนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อไปถึงจุดสุดท้ายเขตแดนสุดท้ายของเส้นทางสายทุกจิตก็หน่วงเอานิ้านเป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่าถึงความบรรลุอริยสัจสีอย่างสมบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้วผมจะพูดถึงการสังสมและการละกิเลส ในแง่ของเนื้อหาสาระ <c oughs> การสั่งสมกิเลสเนี่ยเราก็ได้จัดในส่วนหลักว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราจับอารมณ์นั่นแหละทีนี้กิเลสเราที่ได้รับการสั่งสมสืบต่อเนี่ยมันสั่งสมถูกสั่งสมอยู่ที่ไหนโดยอาการอย่างไร คำอธิบายก็คือว่าการสั่งสมชีเลตเราไม่สามารถจะใช้อะไรมาอาชีพโดยไม่รู้นี่รู้ตัวโดยไม่ได้คิดอะไรทำอะไรไม่ได้จะสั่งสมเมื่อมีการรู้อารมณ์ทีเมื่อรู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เรารู้มันก็ไม่ได้เข้ามาสั่สิงอยู่ในใจเราอารมณ์มันก็แตกดับไปตัวเรายังแตกดับไป เหมือนเหมือ น, นอารมณ์นั่นแหละแต่การสั่งสมเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่ไปกำหนดรู้อารมณ์นั้นสร้างความกำหนัดพอใจเอาไว้เมื่อรู้อารมณ์ใดด้วยอาการเพียงเท่าใดอารมณ์นั้นแม่ดับไปแล้วจิตที่รู้อารมณ์ในขณะนั้นแม้ผ่านขณะไปแล้ว ดับไปแล้วเลยไปแล้วระงับไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นคือพลังของความเคยชินเราเรียกว่าความเคยชินหรือเลือกเป็นภาษาปัชฐานว่าพลังของปกปปัดตูปนิสยปัจจัยหรือพลังของอุ ป, ปนิสยาปัจจัย ถึงอารมณ์นั้นจะผ่านตาเราไปแล้วจิตของเราก็ไม่ได้กำหนัดอยู่แล้วนอนหลับแล้วแต่พลังตัวนี้ยังสถิตอยู่สืบต่ออยู่ในสันดานของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบอีก อารมณ์ทํานองอย่างอารมณ์ที่เราเห็นมาแล้วเช่นเป็นรูบาลมเป็นสัตว์ตาลมอย่างที่เราเห็นมาแล้วแล้วก็โดยเฉพอย่างยิ่งที่คล้ายาย <c oughs> เหมือนกับอารมณ์ที่เราเคยชอบนี่เราก็ได้ได้พลังในทางความคุ้นเคยด้วยหรือในแง่ของพลังกรรมเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงพลังกรรมพูดถึงตรงนี้ให้ถึงจุดว่า แพอเราตื่นขึ้นมาอีกเนี่ยอารมณ์มากระทบเราเอาอะไรมารู้จักยินดีในอารมณ์นั้นและเอาอะไรมารู้จักว่ายินดีผูกพันแน่นเหนียวเพิ่มขึ้นจากเดิมเพิ่มขึ้นโดยง่ายปรากฏโดยง่ายความคุ้นเคยที่เราสะสมไว้ สะสมไว้โดยอาการที่เรามองอารมณ์นั้นอย่างน่าพอใจยินดีทัศนคติในทางรับด้วยกิเลส น, นั้นพอการรับรู้เนี่ยรับแล้วถึงแม้ว่าเขาจะลือฉากอะไรต่ออไรไปแต่ว่ามันอยู่ในฟีมหมดแล้วถูกทายเก็บไว้ในฟีมหมดแล้ว เราก็ได้สิ่งนี้แหละครับเหมือนเป็นทุนแล้วก็เป็นตัวทยานอยากเป็นตัวเสาะหาตัวแสวงหาอารมณ์อย่างที่เราได้สร้างความชอบไว้งั้นถ้าที่ผมว่าขาวที่แล้วว่าถ้าเราชอบดูรูปเป็นรูปปตัตนหารเราก็อยากจะดูรูป ทีนี้ไอ้ดูรูปแล้วรูปมันเยอะในรายละเอียดเรารูปบางอย่างเราชอบรูปบางอย่างเราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นรูปคนไม่ว่าจะเป็นรูปของสีนี้ชอบสีนี้ไม่ชอบทรงนี้ชอบทรงนี้ไม่ชอบหน้าคนนี้ชอบหน้าคนนี้ไม่ชอบคนอื่นเขาก็อาจจะวาไปเหมือนเราบ้างไม่เหมือนเราบ้างตรงนี้เป็นเยื่อใหญ่ของความเคยชินตอนที่เราสั่งสมไว้ เนี่ยนี่เป็นเยื่อใยที่หนึ่งนะที่มันมาชี้รายละเอียดให้และเยื่อใยอีกอันหนึ่งก็คือเยื่อใยในทางกรรมที่พระมักจะพูดว่ากรรมและกิเลสนะฮะเยื่อใยในทางกรรมเนี่ยบางทีมันก็เหมือนจะชอบโดยไม่สมัครใจเหมือนมีอะไรมาบังคับให้ชอบยกตัวอย่างเช่นว่าเอ๊ะทําไมคนอย่างนี้ไปชอบเขาได้ยังไน ง, นงน้องเนี่ยนะไปเลือกแต่งงานกับเขาได้ยังไง ไปรับเอาเขามาเป็นลูกน้องได้ไงอย่างที่ปรึกษาหาลูกันอยู่คุยกันอยู่ทุกวันนี้แล้วบางคนเนี่ยเวลาจะเอาคนมาเข้ามาเป็นบริษทัทบริวารมารับตำแหน่งอะไรใหญ่โตเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าเป็นเรื่องกรรมจริงๆคนดีไม่เอาเออแปลกนะที่เขาเลือกมาแต่ละคนเนี่ยถ้ามาเพราะคนนี้รับสมกัก็เลวเป็นแถวจริงๆนี่คุยกันอยู่ทุกวันนี้นะ อ้นี่มันเวรกรรมจริงๆเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบไอ้คนดีไม่ชอบเลยแล้วไอ้บางคนก็เวลาให้เข้าไปรับเนี่ยมีแต่คนบ้าบาบบมันไอ้ที่ก็แปลกเหมือนกันนะ่ะคนดีๆปกติไม่ใครมาแต่บังเอิญอาจจะมีดีด้านอื่นมากบางน้อยบางคนละด้านแต่จะต้องมีลักษณะบ้าบาบบเออมันก็เป็นเวรกรรมที่ทาให ให้เขาเห็นเป็นว่าดีะนะแล้วก็แม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการที่เราจะไปหยิบไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมถึงต้องไปชอบไปอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาบางทีก็มีคนห้ามแล้วให้สติแล้วแหละไม่สามารถที่จะไปล้มไอ้ความถูกใจของเขาได้ในกรณีอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากรรมมันไม่ใช่เหยื่อใหญ่ทางกิเลส กรรมเนี่ยที่คนนั้นไปทำแล้วจะต้องเสวยวิบากทั้งดีและไม่ดีกับรูปอันนี้หรือคนนั้นของนั้นอันเนื่องด้วยรูปอย่างนี้ที่ตัวเองได้ไปทำไว้อย่างนั้นทำกับของใดไว้ในลักษณะเป็นรูปอย่างนี้ทำกับใครไว้ในบุคคลใดไว้ในลักษณะที่มีรูปอย่างนี้ก็ ถูกกรรมเนี่ยมันบังคับให้ชอบถูกกรรมมันบังคับให้ชอบทั้งที่ไอเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่น่าชอบบางทีมก็มีการหักห้ามบางทีก็ไม่หักห้ามเลยโปรงใจเลยมารู้ผิดรู้ถูกเอาเมื่อเลือดตกอย่างออกไปแล้วคางหลืองคางเหือไปแล้วนะทำไมก็เรียกคางเหลืองก็ไม่รู้ อ่านไปแล้วอั น, นี้เราจับเป็นหลักวิเคราะห์ได้ว่าแม้แต่ความไม่ชอบบางทีมันก็เชื่อถือไม่ได้ไอ้ไม่ชอบเนี่ยบางทีไม่ชอบเพราะไม่ไอ้ดีไม่ชอบไม่ดีชอบหรือไอ้ไม่ดีไม่ชอบดีชอบอไอ้อย่างนี้นะมันเป็นไปได้มากมายหลายหลักตามลักษณะ กรรมและกิเลสที่เราสั่งสมไว้เพะฉะนั้นเราเห็นทีหนึ่งถูกสั่งสมทั้งกรรมและกิเลสแล้วก็ความเหนียวแน่นเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมเราเนี่ยเป็นคนเป็นผู้สั่งสมกิเลสการดำเนินชีวิตของเราโดยธรรมดาการรับรู้ของเราเนี่ยโดยปกติ สั่งเอาเข้ามากกว่าเอาออกถ้าเราพูดตามหลักการในเชิงระดับสูงลักกิเลสอย่างนี้นะเอาเข้ามากกว่าเอาออกทีนี้มาพูดถึงในแง่ของการละอะไรเรียกว่าเป็นการละในหลักเริ่มก็เหมือนกันว่าเมื่อกิเลสได้รับการสั่งสมที่ไหนไม่ใช่อย่างไร กิเลสได้รับการสั่งสมที่ไหนเมื่อจะละกิเลสก็ละที่นั่นก็คือที่อารมณ์นะแต่ด้วยอาการที่แตกต่างกันคำว่าด้วยอาการที่แตกต่างกันก็อย่างที่ว่าด้วยอาการที่แตกต่างกันอย่างที่อธิบายมาในตอนต้นแต่สภาพของการละกับการสั่งสมเนี่ยเป็นไปโดยหลักของ ปักกตูปนิสยยปัจจัยเหมือนกันปัจูุปนิสัยปัจจัยเนี่ยเราสั่งสมนิสัยอะไรลงไปทีเดียวเนี่ยนะมันหมายถึงทำทีเดียวสองอย่างเราถอนกิเลสออกมันก็หมายถึงทำทีเดียวสองอย่างเหมือนกันคื อ, อยังไงล่ะเรานึกดูให้ดีว่าเวลาที่เราสั่งสมกิเลส พูดว่าสังสมในภาคของกิเลสแต่เราเอาอะไรออกทำให้อะไรหวั่นไหวความสมมติเราสังสมตันหาสังสมอาวิชาอะไรกระทบะกระเทือนอะไรถูกคลคือเหมือนถูกทำออกเปิด <c> ง <oughs> านงเหมือนเอาออก คนโง่เนี่ยอะไรไม่อยู่ด้วยนะปัญญาไม่อยู่ด้วยอยู่ทั้งสองอย่างไม่ได้เห้ออ่ไม่ได้แล้วก็คนที่เห็นแก่ตัวคนโลภคนติดความเสื่อสลัดการสลัดการปล่อยวางอยู่ด้วยไม่ได้มีคุณโมมีทั้งขาเข้าขาออก เราก็ทำไอ้ขาเข้าขาออกเนี่ยให้มันมันเปลี่ยนขากันจะว่าจะเอาขาไหนเข้าขาไหนออกมันเข้าทั้งสองขาไม่ได้ออกสองขาไม่ได้ในการละเนี่ยถึงเป็นไปในลักษณะนี้ว่าเราจะเรินทำจะเรินสติสัมปชัญญะ สังสมทีละเล็กทีละน้อยที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสทีว่าให้กุศลนี่ให้ทำทีละน้อยทีละน้อยแบบต่อเนื่องมีพุทธพทธานองนี้เยอมคอกันแต่โดยคำพูดเนะี่ยก็ได้เอ่ยถึงบ่อยๆแล้วพึงเจริญกุศลทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเนนพูดเป็นตวต่อมาบัณฑิตย่อม มันเจริญกุศลทีละน้อยทีละน้อยแบบต่อนเนื่องเนี่ยททีละน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีคูณที่หลังได้เพราะทำแล้วมันเกิดไอ้พลังปกตูเวลากำหนดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะได้รับรู้อารมณ์โดยตามความเป็นจริงทลายปรตูเกิดปกตูคือปัญญาสว่างขึ้น สมาธิดีขึ้นสตาวริยาสติสมาธิาธปัญญาและพร้อมกันนั้นสิ่งที่มันจะออกก็คือกิเลสสัตยยะความไม่ศรัทธาความไม่มีสมาธิความโงกเหลาความโกสชัชฉาความเปียดท้านในกุศลก็ออกไปความขาดสติความเป็นผู้เผอเลอ ประมาเผลอเลยเนี่ยก็ค่อยๆ อ, ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเราได้ตัวพิษทำพอสมควรเนี่ยมันมองเห็นแต่เรื่องนี้นะถ้าไปพูดกับคนยังไม่ได้ลงมือทำมาอะไรไม่ได้สนใจทําบุญทํากุศลทําปฏิบัติเลย เ, ลยเนี่ยพูดไม่มีทางจะเข้าใจได้ง่ายสิ่งที่พูดอยู่นะเราก็เห็นใจเพราะว่าไอเราเองก็เมื่อก่อนเราก็อาจจะเข้าใจไม่ง่าย คนที่จะเข้าใจอะไรได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของ ง, ง่ายๆที่จะมาเที่ยวชี้นิ่งๆเข้าใจกันได้ดันดีนะต้องมีการเก็บสะสมต้องมีอะไรที่เป็นพื้นพอสมควรอาธิปรมอาจารย์เนี่ยทีนี้พอเราค่อยๆทําอย่างนี้เราถึงรู้ว่าโ อ, อ้ความไม่ศรัทธานี่มันเป็นอย่างนี้เอง ความศรัทธามันเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวนี้ท่านมีศรัทธาแค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้าคนปฏิบัติธรรมเขาก็มีศรัทธาในอารมณ์ปฏิบัติอ้อมันเป็นอย่างนี้เองอสัจฉิยะนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกไปเลยอ้อมันมีโทษอย่างนี้เองมันน่ากลัวอย่างนี้เองความศรัทธานี่มันดเศษอย่างนี้เองมันเป็นของดีอย่างนี้เองเราก็รู้สึกชัดขึ้นมาเลย แม้วิริยะคือความเพียรแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เหมือนกันไอความขยันเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้าว่าอย่างคนขี้เกียจกับคนขยันท่านหมายถึงกุศลกับอกุศลอย่างคนสมมติว่าคนหนึ่งขยันเพื่อที่เพราะว่าจะได้ผลประโยชน์ แต่พอบอกว่าให้ตัวเองต้องไปเสียสล่ะต้องไปทําน่นทํานี่เพื่อคนอื่นต้องไปเสียวงประโยชน์แบบละกว่าธนาคารแหะไอท้ทีเจ้าเข้านี่ไม่ต้องเอาหลักฐานนั่นหละไอท้ทีเจ้าออกนู่นแหน่ดูหลักฐานจังดูลายมือจังส่องแล้วส่องอีกกลัวจะปลอมส่าโลกของของพวกเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าโลกของพระิยะนี่มึงกลับตาลปัดอย่างนั้นนะ กับตละบปัดจริงๆอะไรอะไรที่เราเดี๋ยยังเราทำเนี่เออทาไมในโลกของลาลยานี่ท่านตลับตละบปัดเวลาจะรับเนี่ยคิดแลคิดอีกอยพระละาอรน mm ัน hmm. ควบคุมทั้งตนเองควบคุมทั้งคนอื่นแต่เวลาจะให้เนี่ยหัวง่ายมากเตลิดล้นเหนื่อยยังไงก็ได้เพราะว่าค่ามันผิดกัน อ่าในความรู้สึกของคนที่ถึงจุดแล้วเนี่ยสองอย่างนี้ผิดกันเราเห็นคนพายเรือไปใป่บาทเนี่ยนะแต่เช้าผ่านในบ้านผมมันมีกรองเนี่ยเขาพายเรือไปใ่บาทแล้วก็มองเราเป็นคนชอบคิดมองอคนทำบุญเนี่ยเขาก็ อุตส่าห์เนี่ยายเรือมาแต่ไกลเนี่ยของเขืงใส่มาจะไปให้เขาเนอย่างอุตส่าห์อยู่ที่เนี่ยขวนขวายลงทุนเท่าไหร่ทำทายเนี่ยจะไปได้อะไรดีที่วัดจะไปให้เขาแทๆ้ๆแต่เราก็รู้คำตอบแล้วเนี่ยคือผลบุญคือความสุขของคนทำบุญ คนจิตเป็นอย่างนี้แล้วย่อมเห็นย่อมพยายามได้ด้วยเห็นรผลแต่ถ้าคนเขาไม่ไม่ไม่เคยจะถึงเรื่องนี้เลือกเขาไปจีนเขาอาจจะไปแต่จะให้เขาขวนขวายทมนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทำไม่ลงเขาเขาไม่ไม่อดทนที่จะทำได้เขาเห็นคนนี้ยังเออคนไหวยาแบบ้างเงี้ยปกติ บ้าบุญหาว่าบ้าบุญบอกให้บ้าตรงนี้คนไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจอย่างนั้นจริงอันนี้ตรงนี้ถึงว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยานเนี่ยที่ทําให้เราเห็นอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าในแง่ของการปฏิบัติอย่างที่ท่านบอกว่าเมื่อทุสูเห็นโพดหนึ่งเหลืองในธรรมอันเป็นปัจจัยปัญหาย่อมดับเนี่ย ก็เห็นว่าเป็นทั่วเพราะว่าตำหาเนี่ยมันเห็นเป็นของดีซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะมันก็เห็นแบบตาป้าตาฟางนี่ก็ต่างสมยินดีเห็นของร้ายเป็นของดีเราลองคิดดูนะฮะว่ามันเหมือนกับเรานี่ถึงยังไงยังไงก็เป็นสุขไปไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ถ้าเราเห็นของ เ็วเป็นของดีเนี่ยเรามาเทียบเหมือนอย่างคนประเภทนี้นะใครเร็วเนี่ยเขาจะเห็นเป็นดีนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องพูดศัแท์ ว, ว่าพูดนะจริงๆนะใครเลวเห็นเป็นของดีเห็นเป็นคนดีเรียกว่าใจโน้มเอียงไปในทางเลวไปในสิ่งเลวไปในคนเ็ว น่ากลัวไลยขอให้ช่วยนึกๆึกกถึงคนที่ท่านพอจะรู้จักเขามากงตัวแทะ้ะะเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ชอบใจอย่างนี้ไม่ว่าจะเข้าวัดเข้าวามีว่าะอะไรบางคนเป็นลักษณะอย่างนี้อะไรเร็วๆแล้วเขาชอบนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเร็วนะเขาไม่ว่าดี นึกว่าดีเราไปนึกใช่คนดมกาวกัแล้วกันดมพุดพุดพุ ด, พดเนี่ยเขานึกว่าดีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ความยินดีความชอใจของเราเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีน่ากลัวแล้วเราทั้งหลายในระดับสังสารวัตที่เราเป็นทุกข์กบาตรงนี้ เห็นว่ามันเป็นของดีเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยไม่มีฤิ์เลยแล้วจะพูดกันยังไงถึงจะเข้าใจกันเนี่ยฮะไม่พูดพูดกับตัวเองเลพูดกันไม่รู้เรื่องตรงนี้พูดมากเดี๋ยวก็พานโกรธได้ทีนี้พอมาเห็นว่ามันเป็นของเป็นทุกข์เป็นโทษพอเห็นตรงกันข้ามเนี่ย ไอ้ความอยากมันสวนกระแสกับความอยากความอยากมันหดความสลุดสะดุ้งกลัวมันจะเจริญก้าวมันจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามพราอันหนึ่งโหดอันหนึ่งจเจริญงอกงามก็เกิดเป็นปะกตูปณิสยาัจจัยแล้วก็ค่อยคืนคลายทําลายความอยากอยากในสิ่งนั้น ตามที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไปเห็นความเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้นความอยากระุบในที่สุดก็ทำสมุดเฉ ท, รทประหารเพราะนั้นสมุดเฉ ท, รทประหารเนี่ยก็คือการสร้างพลังปักกร ะ, ะตูปนิสยปัจัยของอินสี่ห้าหรือจะเรียกว่าของสติตปัญญาให้เข้มข้นเข้นแข็งมากขึ้นและ พลังปกตูตัวนี้ไปทําลายพลังปกตูของตัณหาของกิเลสการล้างกิเลสนี่ก็คือใช้ปกตูของสิ่งหนึ่งใช้อุปนิสัยของสิ่งหนึ่งไปทําลายอุปนิสัยของสิ่งหนึ่งแล้วแม้แต่เรามามามาปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วก็มีการเปลี่ยนนิสัยอะไรแต่ไรเนี่ย มันก็คือการตั้งนิสัยอันหนึ่งประชำรานานิสัยอันหนึ่งไอ้กิเลือดเราไอตัวเราเนี่ยกุศลกับอกุศ ล, ศลมังก็เป็นของตรงกันข้ามกันอย่างที่พุฎเจ้าตรัสนะตรัสว่าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ของมหาสมุทรไกลกันนะทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกไกลกันนะฉันใด อุศลธรรมและอกุศลธรรมคือธรรมของสัตว์บรุษกับธรรมของสอัตว์บรุษก็ไกลกันนะคือต่อเราโตรนกันไม่ได้ดัง น, นไอ้พลังสองอย่างเนี่ยเราก็ใช้ทาลายกันความจริงมันก็พยายามจะมาสิงอยู่ในสันดานเราตั้งคู่นะฮะและ้วก็เนี่ยึ้นๆลงๆกัอยู่อยงี้ ทำท่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นสะลุดก็ไม่หลุดมันก็ยักกันไปยักกันมาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การที่จะทําให้ประตูของอีกตัวหนึ่งหลุดออกไปแรงแค่ไหนหรือเหลือสัดส่วนเหมือนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะฮอร์โมนใจใจไม่จริงต้องหมายถึงอีกอันหนึ่งมีกําลังมากเท่านั้นมันก็จะทําให้อีกตัวแต่ว่าเรานี่มีเชื้อดีเชื้อชั่วยอยู่ พอมที่จะพัฒนาได้ทั้งสองอย่างถ้าพัฒนาให้ถึงที่ก็จะสามารถ เ, เข้าไปถือครองในอัตภาพนี้ในสันดานนี้ได้อย่างแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยมิเป็นเดชะไอ้เรื่องนิสัยเนี่ยนะฮะ้เราก็มาคิดๆ ด, ดูไอ้นิสัยอย่างในชั้นนอกๆหน่อยเนี่ย ดูลมันก็แหมมันเรื่องที่มันไม่ใช่ของต้องแบดต้องหามทําำไมมันถึงเหลียวแน่นเลือเกินนะเราช่วยๆมองจากคนอื่นเข้ามาเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็มองโอ้โหทำไมถึงออไอเราว่าไคตรเกลียวเหมือนโคตกลียวในการที่ว่าเราจะควบคุมอะไรมันได้เนี่ยแต่ทําไมบางคนเนี่ยยังไงยังไงก็แหมไม่กระเทือนเลยเออกไม่ได้ ถึงไอ้ส่วนดีบางไม่ดีบางอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ในทำนองเดียวกันส่วนดีบางอย่างเนี่พ้องคนก็แม้ก็เอาพลังเอาความดีเข้ามาจากไหนนะเราจะดีอย่างเขาจะสร้างความดีอย่างเขาอีสเทอร์ลยชาติคงไม่ได้จริงของเขาในความดีที่เขาสะสมมาแล้วเนี่ยทาไมมันถึงเป็นไปอย่างง่ายได้มันไม่ได้เกิดโดยบังเองิญ แล้วเขาเองจะแกล้งไม่ดีว่าแกล้งไม่ได้จรินะบอกมันจะสวมบททั่วรดีสวมไม่ได้สักทีจะจะเรียกวิญญาณโดยฉานมาเข้าสึงไม่สิงไม่ได้สักทีบอกก็เลยขอก้มหน้าก้มตาดีไปเลื่อนๆคืองลองดีแล้วก็มันจะจะไม่ดีมันก็ไม่ง่ายนะนะ ไอ้จะตอบเร็วแล้วเนี่ยจะดีเนี่ยมันก็ไม่ไง่ายนักอยู่เหมือนกันก็ก็ไม่ถึงกับทุกคนมังคนก็เป็นไปได้อย่างใจเพราะว่ามันไอ้สัดส่วนมันพอเป็นไปได้แล้วก็อาลมายนอกมกกันกระต้นหน่อยก็ออกแล้วเมื่อวันพุธเนี่ยมีคน นัดไปที่หนึ่งที่สถานีปฏิยุกต์แล้วก็เอาเอกสารไปให้สามปึกหนึ่งก็เป็นบท้อย้อยกรองเขาจะพิมพ์เป็นเป็นหนังสือแจก ใ, ให้ไปช่วยอ่านไปช่วยเรียงประเด็นนะแล้วก็อีกสองเล่มเป็นร้ยรอยแก้วทีนี้ที่เราฟังเนื้อเพราะว่าเจ้าของบทประพันธ์เนี่ย ท่านตรงคนจีนนะเชื่อสายจีนแล้วก็เรียนหนังสือเก่งหัวดีแล้วก็ทำธุรกิจอะไระไรมาก็าประสบความสาเร็จแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าล้มเหลว อ, อย่างยิ่งก็คือทางเจริยธรรมปินเหล้าเมายาสารพัดนะครับง่ายกว่าเอบาบยามุกทุกอย่างเด็ดแล้วก็พออายุห้าห้าก็เกิดมาปฏิบัติปฏิบัติธรรม มันก็ไปตามหาพระหาเจ้าสายจานมัน่นงอะไรบา้างนนะแล้วก็ปฏิบัติเองปีิบ้านอย่างจริงจังเลยอยู่กับการปฏิบัติถึงขนาดว่าดอกบัวที่ตามที่ผู้เอาองซื้อมาเนี่ยก็ถ้าเ อ, เอ่ยชื่อบงิลงานจะดิจักก็ได้นะฮะดอกดอกบัวเนี่ยตุมต้มๆเนี่ยบนหลวง เ, เวลามาพึ่งเนี่ยบานต่อหน้าต่อตาพรังขนาดนนะั้น แล้วก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งก็งอยู่ได้อทิตยหนึ่งเพราะอาบด้วยรศมีอ่านโดยอาบด้วยลังสีของจิตกันํ <c oughs> านองนะเพราอยากจะให้ไปพูคุดด้วยเราเอาเอาหนังสือใมาดูเนี่ยทีนี้ทา่านบอกให้หนังสือพวกนี้มันเป็นสิ่งที่พุดออกมาพวกบทกรอะไรใล้าช้อุทานของพระนะปอจุบัตรทามแล้วพูดแนละ้วใ้าเป็นนักเขียนแล้วเขีย น, นไม่ไหวแล้วครับทุกคนเนี่ย ไม่รู้จะหาเทวอะไรมาอัดความคิดไดขนาดนั้นนะโอ้โหมันออกมาถ้าเราถ้าเราจะเอาตรงนี้นะเปิดแก้เพิ้มก็ไปเลยแต่เราก็รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะคิดในส่วนทีน่นี้ท่านก็เขียนไว้เยอะละเอายดย่ดอ ย, ยละเอียดละออดีอะท่าที่ผมดูแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็เพลินดีเหมือนจะอ่านพวกเสภาขุนช้งางแฝงสมัยก่อน อ่านคล้ายๆยังไงเป็นกลอนธรรมดาๆ ร, ราเี่นะกลอนชาวบ้านอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ว่าคนนี้ยถึงชาวจะกลับตลัปัดแล้วกลับแล้วไปแรงเลยไอเราไม่อาจจะไม่เคอบอับายมุกอย่างนั้นตั้งท่าอยู่นั้นะก็พอเขามาเข้าทางบางเข้าไปรีบแหละ คนก็มีข้อยิ่งหย่อนกว่ากันไปตามการและเวลาตามเหตุปัจจัยที่สั่งสมอย่างนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันในตังกรมนี้เราะนั้นว่า ส, สูตรสองสูตรนี้วันนี้ผมอธิบายเทา่านี้เราหน้าก็จะพูดถึงอีกสองสูตรสืบต่อไป